บทที่42พระอาจารย์ภิกษุณีกับแม่ชีเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าจ๊ะอย่างฉันเนี่ยจะเรียกว่าภิกษุณีในสมัยพุทธกาลได้หรือเปล่าแม่ชีป่วนถามขึ้นเพราะอยากรู้จริงๆอยากรู้ถึงกับยอมลงทุนเรียกพระเจริญว่าพระอาจารย์ ภิกษุณีถือศีล311ข้อแม่ชีถือกี่ข้อละ่ะพระมกุเทศถามฉันถือแค่8ข้อน้อยกว่าภิกษุณีตั้ง303ข้อแม่ชีตอบอาศัยที่เคยค้าขายมาก่อนจึงบวกลบได้รวดเร็วทันใจแล้วเหมือนกันหรือเปล่าละ่ะไม่เหมือนจ้ะแต่ฉันก็อยากฟังเรื่องของภิกษุณีว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทำไมพระพุทธเจ้าจึงยอมให้ผู้หญิงบวชญาติโยมอยากฟังเรื่องภิกษุณีไหมถ้าแม่ชี ป, ป่วนอยากฟังคนเดียวจะยอมให้อตามาเล่าหรือเปล่าท่านขอความเห็นจากผู้ฟังทั้งรถอยากฟังครับอยากฟังค่ะเสียงตอบรับดังขึ้นฝ่ายอยากฟังครับนั้น นอกจากจะเป็นอุบาสกแล้วก็ยังมีภิกษุกหนุ่มอีกสามรูปร่วมออกเสียงเพื่อความประสมของผู้ฟังพระมกุเทศจึงบรรยายเรื่องความเป็นมาของภิกษุณีท่านรู้เรื่องนี้ดีเพราะอ่านจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศพเขียนโดยเจ้าคุณอาจารย์ประยุทธ์ประยุตโตปราดทางพระพุทธศาสนาของโลกภิกษุณีก็คือพระผู้หญิง ในพระพุทธศาสนาคู่กับภิกษุซึ่งเป็นพระผู้ชายภิกษุณีสงเกิดขึ้นในพรรษาที่หแห่งการบาเพ็ญพุทธกิจใครจะตอบอาตมาได้บ้างว่าในพรรษาที่หพระพุทธองค์ทรงบาเพ็ญพุทธกิจอะไรบ้างพระมกคุเทศตั้งคำถามผมไม่ทราบคำตอบหรอกครับทราบแต่ว่าท่านอาจารย์จะต้องทราบ พระกุโทษพูดยวนนิดๆทั้งที่ท่านไม่ได้มีเชื้อสายยวนแม้สักน้อยพระมกุเทพจึงเฉลยว่าในพรรษาที่หพระวัทธองค์ได้เสด็จไปจำพรรษานักคูทการในป่ามหาวันนครเวสาลีพุทธกิจที่ทรงบำเพ็ญในพรรษานี้ก็ได้แก่โปรดพระเจ้าสุดโททนะพุทธบิดาซึ่งประชวนหนักอยู่ที่กรุงกบิลพัพัท พระเจ้าสุโทธนาทรงบรรลุอรหัตผลแล้วปรินิพานโปรดพระญาติที่วิวาทกันเพราะเหตุแห่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีมีท่านใดตอบได้บ้างว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จกรุงกบิลพัทพระองค์ประทับณที่ใดพระมกุฏเทศตั้งคำถามอีกพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นิโคทารามครับคนตอบคือโยมสิงห์ เพราะเขาได้ฟังด้วยปัญญาจึงจำเหตุการณ์และสถานที่ได้ครบถ้วนถูกแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่นิโคโรธารามวันหนึง่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมาตุจจาเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปเฝ้าและก็ทูลขออนุ ญ, ญาตให้สตรีละเรือนออกบวชในพระธรรมวินยัย พระมาตุจฉาแปลว่าอะไรจ้ะพระอาจารย์แม่ชีป่วนถามแปลว่านะเพราะพระนางมหาประชาบดีท่านเป็นพระคณิษฐาของพระนางสริมหามายาแม่ชีตอบอาตมานหน่อยสิว่าพระคณิษฐาแปลว่าอะไรแปลว่าน้องสาวจ้ะฉันรู้เพราะว่าตอนสาวๆชอบดูลิเกประโยชน์ของการดูลิเกนอกจากได้รับความบันเทิงแล้ว ก็ยังรู้ราชาศัพ์ด้วยแม่ชีตอบดีมากแม่ชีเป็นคนมีปัญญาสามารถหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่พบเห็นอาตมาขออนุโมทนาแม่ชีปวนดีใจนักที่ได้รับคำชมความรู้สึกไม่ถูกชะตากับท่านในช่วงแรกๆ ก, ก็มาลายหายไปสิน้นเอาละที่นี้อาตมาก็จะได้บรรยายต่อ เมื่อกี้อัตมาพูดถึงไหนแล้วท่านทดสอบความจำของผู้ฟังถึงตอนพระนางมหาประชาบดีโคตมีเสด็จเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นิคโครธารามและก็ทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัยค่ะนางสาวสายใหญ่รักตอบแล้วพระพุทธองค์ทรงอนุญาตเลยหรือครับพระธรรมถามไม่ทรงอนุญาต เพราะได้ตรัสห้ามถึงสมครั้งต่อมาเมื่อเสด็จไปยังเมืองเวสาลีประทับที่คูตการสาลาในป่ามหาวันพระนางมหาประชาบดีจึงไม่ละความพยายามถึงกับปลงผมนุ่งผ้ากาสาวะออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหญิงสักยะจำนวนห0 0นางไปยังเมืองเวสาลีและได้มายืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูนอกคูตการศาลา พระบาทบวมพระวรกายเปลอะเปื้อนทุลีพระทรงเดินทางรอนแรมมากไกลพระอนุนพบเข้าสอบถามทราบความแล้วรีบไปกราบทูลขออนุญาตให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอย่างนั้นหรือครับพระทวัตรถามอีก ยังหอกท่านเพราะเมื่อพระอนุลกราบทูลก็ถูกพระองค์ตรัสห้ามถึงสามครั้งเช่นกันในที่สุดพระอนุลผู้ฉลาดรอบคอบจึงเปลี่ยนวิธีใหม่โดยกราบทูลถามว่าสตรีออกบวชในพระธรรมวินัยแล้วจะสามารถบรรลุโสดาปติผลจนถึงอรหัตผลได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าได้พระอนลจึงอ้างเหตุผลนั้น พร้อมทั้งการที่พระนางประชาบดีเป็นพระมาตุจ่าและพระมานดาเลี้ยงมีอุปการะมากต่อพระองค์แล้วขอให้ทรงอนุ ญ, ญาตให้สตรีออกบวชพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าพระนางจะต้องรับปฏิบัติคาุธรรม8ประการคารุธรรม8ประการมีอะไรบ้างคะเพื่อดิฉันปฏิบัติได้จะได้ขอบวชบ้าง สตรีที่จ้างฆ่าสามีถามอย่างใกล้รู้หล่อนเริ่มเบื่อนายคลายกำหนัดในการมคุณทั้งหลายที่ผูกมัดรัดรึงให้หล่อนต้องทุกข์หมนไหมมาช้านานเพิ่งจะเบาคลายเมื่อได้มาแสวงบุญในแดนพุทธภูมินี้ถึงยมจะปฏิบัติได้แต่ก็บวชเป็นภิกษุณีไม่ได้เพราะหาอุปชาที่จะเป็นภิกษุณีไม่ได้แล้ว แต่ฉันก็ยังอยากรู้ไว้ประดับความรู้ท่านช่วยบอกหน่อยว่าคารุธรรมแปประการนั้นมีอะไรบ้างแม่จีละ่ะอยากรู้ไหมพระมกุเทศถามแม่ชีปวนอยากรู้จ้ะแม่ชีตอบเอาละฟังให้ดีคารุธรรมแปประการมีดังนี้หนึ่งภิกษุณีแม้บวชร้อยพรรษาแล้วก็ต้องกราบไหว้ภิกษุ แม้บวชวันเดียว 2. ภิกษุณีจะอยู่ในวัดที่ไม่มีภิกษุไม่ได้ 3. ภิกษุณีต้องไปถามวันอุโบสถและเข้าไปฟังโอวาจากภิกษุทุกกึ่งเดือน 4. จำพรรษาและต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายโดยสถานะทั้งสามคือโดยได้เห็นได้ยินโดยรังเกียจ 5. ภิกษุณีทำไมต้องรังเกียดด้วยละจ้าพระอาจารย์แม่ชีปวนถามแซงขึ้นพระมกุเทศตอบว่ารังเกียดในที่นี้หมายถึงระแวงสงสยัยหรือว่าเห็นพฤติกรรมอะไรที่น่าเกลือบแกลง้งแทนที่จะรังเกียจก็กล่าวแทนไม่ได้หรือจ้าแม่ชีถามอีกไม่ได้ขอให้ฟังต่อไปว่าทาไมถึงไม่ได้ คำตอบอยู่ในข้อสุดท้ายพระมกุเทศตอบและจึงบรรยายต่อครุธรรมประการที่5พิษุณีต้องอาบัตหนักต้องประพฤติมานัดในสงสองฝ่ายคือทั้งพิกษุสมงและพิกษุนีสงเป็นเวลา15วัน 6. ภพิษุณีต้องสแสวงหาอุปสัมปทาในสงสองฝ่ายเพื่อนางสิคมนา แม่ชีอย่าเพิ่งถามให้อัตมาพูดจบก่อนแล้วค่อยถามท่านห้ามแม่ชีเมื่อเห็นว่ากำลังขยับปากจะถามแม่ชีจึงต้องนิ่งฟังก่อนประการที่เจ็ดภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริพาทภิกษุไม่ว่าโดยปริยายใดใดและประการสุดท้ายไม่ให้ภิกษุณีว่ากล่าวภิกษุแต่ภิกษุว่าก่าวภิกษุณีได้ เอาละทีนี้ใครสงสัยถามได้ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามแม่ชีปวนจึงถามเป็นคนแรกฉันอยากรู้ว่าอุปสัมปทากับนางสิคมนาคืออะไรจ้ะอุปสัมปทาก็คือการบวชหมายถึงการบวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณีส่วนสิคมนาแปลว่านางผู้กําลังศึกษาหมายถึงสมณีรี ผู้มีอายุ18ปีแล้วอีกสองปีจะครบบวชเป็นภิกษุณีภิกษุณีสมสวดให้สิกขาสมมติคือตกลงให้สมาทานสิกขาบท6ประการตั้งแต่ปานาติปาตาเวรมณีจนถึงวิกาลโภชนาเวรมณีให้รักษาอย่างเคร่งครัดไม่ขาดเลยตลอดเวลาสองปีเต็มถ้า กล่าวล่วงข้อใดข้อหนึ่งต้องสมาทานตั้งแต่ต้นไปใหม่อีกสองปีเมื่อครบสองปีแล้วภิกษุณีสงฆ์จึงทำพิธีอุปสมบทให้ขณะที่สมาทานสิกขาบทหประการอย่างเกร่งครัดนี้เรียกว่านางศิขมานาขอบคุณจ้ะนิมนต์บรรยายเรื่องภิกษุณีต่อเธอจ้ะแม่ชีป่วนยกมือขึ้นไหวขอบคุณ อาตมาบรรยายถึงตรงไหนแล้วละ่ะท่านจําไม่ได้ฉันจําไม่ได้แล้วจ้าใครจําได้ช่วยบอกท่านหน่อยแม่ชีป่วนประกาศถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานุน์อนุญาตให้พระนางมหาประชาบดีบวชได้โดยมีเงื่อนไขว่าพระนางจะต้องรับปฏิบัติคารุธรรมแปดประการค่ะนางสาวสายใหญ่รักตอบเสียงใส พระอนนท์จึงมาทูลพระนางมหาประชาบดีตามที่พระพุทธองค์ตรัสพระนางยอมรับตามพุทธานุญาตให้ถือว่าการรับคาุธรรมนั้นเป็นการอุปสมบทของพระนางส่วนเจ้าหญิงศักยะที่ตามมาทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสสอนอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์อุปสมบทให้ในคราวนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าการให้สตรีบวชจะเป็นการให้พรมจันทร์ คือพระศาสนาหรือศรัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้ยั่งยืนจะมีอายุสั้นเข้าเปรียบเหมือนตระกูลที่มีบุรุษน้อยมีสตรีมากถูกผู้ร้ายทำร้ายได้ง่ายหรือเหมือนข้าวนาที่มีนอนขยอกลงหรือเหมือนไรอ้อยที่มีเพรียลงย่อมอยู่ไม่ได้ยืนนานพระองค์ทรงบัญญัติคารุธรรมแปประการกํากับไว้ก็เพื่อให้เป็นหลักคุ้มกันพระศาสนา เหมือนสร้างคันกั้นสะใหญ่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลท้นออกไปพระศาสนาจักอยู่ได้ยั่งยืนเช่นเดิมทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ภิกษุไหวภิกษุณีล่ะคะสตรีที่เริ่มคลายกำหนัดในกามคุณทั้งหลายถามด้วยอยากรู้ เหตุผลที่พระพุทธองค์ไม่ให้ภิกษุไหว้ภิกษุณีให้ภิกษุณีไหว้ภิกษุได้ฝ่ายเดียวเพราะเห็นว่านักบวชในลทัทธิาศาสนาอื่นทั้งหลายไม่มีใครไหว้สตรีกันเลยพระองค์ทรงพิจารณาตามบริบทของสังคมในสมัยนั้นด้วยเพราะไม่ต้องการให้าศาสนาของพระองค์แปลกแยกไปจากาศาสนาอื่นๆในสมัยนั้นกล่าวโดวยสรุปว่า หากถือเหตุผลทางด้านสถานภาพสังคมและาศาสนาแล้วจะไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชเลยแต่ด้วยเหตุผลในด้านความสามารถโดยธรรมชาติจึงทรงยอมให้สตรีบวชได้เมืเ่อภิกษุณีสงเกิดขึ้นแล้วสตรีที่จะบวชต่อมาต้องเป็นศิกขมานารักษาศิกขาบท6คือ6ข้อแรกในศีนสิบไม่ให้ขาดเลยตลอด2ปีก่อน จึงขออุปสมบทได้และต้องรับการอุปสมบทโดยสงสองฝ่ายคือบวชโดยภิกษุณีสงแล้วต้องบวชโดยภิกษุสงอีกชั้นหนึ่งเมื่อเป็นภิกษุณีก็ต้องรักษาศิกขาบทหรือศีล311รข้อเป็นอันว่าภิกษุณีสงเกิดขึ้นในพรรษาที่5แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจและเจริญแพร่หลายในชมพูทวีปอันเป็นแดนพุทธภูมิ อยู่ช้านานเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาแหล่งใหญ่ของสตรีทั้งหลายและภิกษุณีในประเทศสีลังกามีความเป็นมาอย่างไรครับพระอาจารย์ผู้ถามคือพระรสุคนบรรดาญาติโยมผู้หญิงชอบถามท่านเรื่องอยากจะบวชเป็นภิกษุณีกลับไปท่านคงจะให้คำตอบพวกเขาได้อย่างถูกต้อง ภิกษุณีสงประดิตสถานในลังกาทวีปในรัชการของพระเจ้าเทวานามปิยติสสะโดยพระสังฆมิตราเทรีพระราชธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชเดินทางจากชมพูทวีปมาประกอบอุปสมบทกรรมแก่นางอนุลาเทวีชายาของเจ้ามหานาคอนุชาของเจ้าเทวานามปิยติสสะพร้อมด้วยสตรีอื่นอีกหนึ่งพันคน ภิกษุณีสงฆ์เจริญรุ่งเรืองในลังกาทวีปยาวนานไม่น้อยกว่าพันปีแต่ในที่สุดได้สูญสิ้นไปตามกฎพระตลัยลักแล้วในประเทศไทยมีภิกษุณีสงฆ์ไหมคะคนถามคือนางสาวสายใหญ่รักในประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เคยมีการประดิษฐานภิกษุณีสง และถ้าฉันจะบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกของเมืองไทยจะได้ไหมจ๊ะแม่ชีปวนอยากบวชเพราะอยากดังหากได้เป็นภิกษุณีชุดแรกของเมืองไทยคงจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็จะหาภิกษุณีที่ไหนมาเป็นอุปชาละ่ะพระมกุเทศย้อนถามก็ให้พระภิกษุเป็นอุปชาแทนพอฉันบวชแล้ว ต่อไปก็เป็นอุปชาบวทให้คนอื่นได้แม่ชีพูดง่ายแต่ว่าฟังยากนะเพราะเรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่แม่ชีพูดตามพระวินัยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าการอุปสมบทเป็นภิกษุณีนั้นต้องบวชโดยภิกษุณีสง์ก่อนแล้วจึงบวชโดยภิกษุสง์อีกชั้นหนึ่งและเมื่อเป็นภิกษุณีแล้วก็ต้องถือศีล311ข้อ ซึ่งอาตมาเห็นว่าผู้หญิงยุคนี้ไม่มีใครสามารถถือศีล311ข้อได้ครบเพราะเป็นการปฏิบัติได้ยากหรือว่าปฏิบัติไม่ได้เอาอย่างนี้แม่ชีลองอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่สามชื่อพิคุณีวิพังอ่านแล้วคิดอีกทีว่าจะทำตามนั่นได้หรือเปล่าแต่ถึงทำได้ก็บวชไม่ได้ เพราะทบวดเท่ากับเป็นการละเมิดพระวินยัยแบบนี้ก็แย่นะสิใครเกิดเป็นผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมแม่ชีพูดเพราะไม่เข้าใจมีสิโยมเป็นผู้หญิงก็บรรลุธรรมได้อย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกาบรรลุธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนางสุมนาบุตรีธันอณาธบินธิกะเสษฐี กบรบลุธทำเป็นพระสกทาคามีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคขฤหัสสามารถบรรลุธรรมได้ถึงขั้นเป็นพระอนาคามีแต่ถ้าบรรลุถึงขั้นพระอรหันต้องบวชในวันนั้นถ้าไม่บวชต้องปรินิพพานเช่นอมทตของพระเจ้าเปอร์เซนที่ที่ชื่อสันติอาตมาว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องตายในวันนั้นก็เกินคุ้มนะ ครับอย่าว่าแต่เป็นพระอรหันต์แล้วตายในวันนั้นเลยถึงเป็นพระโสดาบันแล้วตายผมก็ว่าคุ้มครับเพราะจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนพระอรหันต์ไม่ต้องเกิดอีกเพราะจบสิ้นภพชาติสําหรับท่านส่วนพระอรหันต์ไม่ต้องเกิดอีกเพราะชาติภพบจบสิ้นแล้วสําหรับท่าน โยอมเสงงให้การรับรองเอาล่ะทีนี้ก็มาพูดถึงนางภิกษุณีบุตรีเศรษฐีเมืองราชกระซึ่งเป็นมารดาของพระกุมารกัสปะว่าท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือไม่ประการใดอาตมาจะทบทวนว่าเมื่อพระเทวทัตให้ท่านสึก ท่านก็ไม่ยอมศึกได้ขอให้ภิกษุณีผู้ใหญ่พามาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีจึงพากันเดินทางมาจากกระจกฤซึ่งในคำพีว่าห่างจากสาวัตถี45โยชหนึ่งโยศเท่ากับ16กิโลเมตร45โยศเท่าไครแม่ชีปวนลองคำนวณดูซิแม่ชีวัย60รีบตอบว่า ฉันถนัดแต่บวกกับลบจ้ะคูณ่ะไม่ถนัดผมคูณออกมาได้720ครับโยมเสิงเป็นคนตอบถูกแล้วท่านต้องเดินทางระหกระเหินรอนแรมมาเป็นระยะทาง720กิโลเมตรและเมื่อวินิจฉัยคดีการสินสุดลงผลออกมาว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านก็พ้นคดีจึงอยู่ปฏิบัติธรรมาที่พระเชตวัน จนกระทั่งคันแก่แล้วก็คลอดบุตรแล้วท่านก็เลี้ยงบุตรอยู่ในสำนักภิกษุณีนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าประสิทีิเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผ่านมาทางสำนักภิกษุณีได้ยินเสียงเด็กร้องก็ตรัสถามข้าราชบริพารว่าเด็กที่ไหนมาร้องอยู่ในวัดเมื่อทรงทราบว่าเป็นบุตรนางภิกษุณีรูปนั้นก็จึงตรัสว่า เรื่องการเลี้ยงดูเด็กเป็นเรื่องยากท่านเป็นภิกษุณีย่อมไม่สะดวกในเรื่องปัจจัยการเป็นอยู่จึงทรงขอเด็กทารกนั้นไปเลี้ยงในวังตั้งชื่อให้ว่กกัสปะแต่เพราะเด็กจเจริญเติบโตในวังเป็นอย่างราชกุมารคนทั้งหลายจึงเรียกกุมารละกัสปะเวลาผ่านไปจนกระทั่งเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบก็ได้มาบวชเป็นส ม, มนเณรศึกษาปฏิบัติธรรม จนได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ชื่อพระกุมารกัสปะเป็นผู้มีชื่อเสียงมากสามารถแสดงธรรมจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเอตะทักคะในบรรดาภิกษุผู้แสดงธรรมวิจิตส่วนนางภิกษุณีมารดานั้นตั้งแต่บุตรของตนไปอยู่ในวงังแล้วก็เฝ้าห่วงใยร้องไห้คิดถึงแต่บุตรตนนั้นตลอดเวลา แม้จะตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่หากใจหนึ่งคิดถึงแต่ลูกจึงไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมได้จริงจังมีกังวลมีห่วงเกิดขึ้นร่ำร้องหาแต่ลูกเรื่อยมาก็เลยไม่บรรลุมรรคผลอะไรทั้งสิน้นอยู่มาไม่นานจนกระทั่งวันหนึ่งเดินบินทบาตมาเจอพระกุมารลักสปปะซึ่งตอนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อเห็นลูกด้วยความดีใจ ก็ร้องเรียกลูกว่าลูกรักและก็โผลเข้าไปหาแต่อารามร้อนรนพ่อโผล่เข้าไปหาก็ส่วนเสแล้วพลาดล้มลงไปแล้วก็น้ำนมก็ไหลออกมาเปื้อนจีวรแล้วก็จะไปจับลูกเขาว่าคนมีลูกเมื่อนึกถึงลูกด้วยความรักน้ำนมก็จะไหลออกมาอาตมาเองก็ไม่เคยมีลูกก็เลยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ แม่ชีปวนจะตอบได้ไหมท่านถามแม่ชีตอบได้สบายมากจะ้ะเพราะได้เจอกับตัวชันเองเวลาชันไปค้าขายต่างจังหวัดกับพ่อเด็กๆ เ, เขาได้ทิ้งลูกไว้ที่บ้านก็คิดถึงพอคิดถึงน้านมก่อนไหลก่ อ, อนี้ฉันขอยืนยันจะ้ะแม่ชีวัยหกสิบยืนยันอย่างหนักแน่นเอาละทีนี้ก็มาเล่าต่อ ไฟกุมาลกัสปะก็มีความเมตตาการุณต่อมารดานึกถึงว่ามารดายังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นเพราะความรักความห่วงใ ย, ยในตัวท่านผู้เป็นบุตรก็คิดจะช่วยมารดาท่านคิดว่าหากให้มารดามีจิตใจครุ่นคิดกังวลอยู่กับความรักความห่วงใ ย, ยอยู่อย่างนี้ก็จะไม่ได้รู้มรรคผลอย่างแน่นอนท่านจะต้องใช้วิธีการเป็นอุบายสักอย่าง ทำให้มารดาตัดความรู้สึกผูกพันห่วงหาอาไลในท่านให้ได้จึงได้พูดกับมารดาว่าแม่ทำอะไรอยู่บวชมาตั้งนานทำไมความรักแค่นี้ก็ตัดไม่ได้นางภิกษุณีผู้เป็นมารดาให้รู้สึกน้อยใจนักคิดว่าลูกนะลูกดูซิเราอุตส่าห์ตามหาร้องไห้ห่วงหามาไม่รู้กี่ปีแล้ว พอมาเจอก็พูดอย่างนี้อยากกระนั้นเลยในเมื่อไม่รักเราเราก็อย่าไปรักเขาเลยเมื่อคิดได้ดังนี้ทําให้ตัดความรู้สึกห่วงใ ย, ยผูกพันลดน้อยลงไปได้ตั้งแต่นั้นก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อมาก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระเถรีอรหัน์รูปหนึ่งเป็นอันว่าทั้งแม่ทั้งลูกได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต เรื่องก็จบลงได้ดีสาธุผู้ฟังทั้งพระและคารือหัด ส, สาธุการขึ้นพร้อมกัน